ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลยายยธงทมจากมาวิทาลัยศีปทุมกำลังนำเสนอมัจฉริยสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยความเสนีหหรือว่าด้วยเหตุที่ให้ทานไม่ได้เป็นคำกราบทูลของเทวดากลุ่มเดิมคือกลุ่ม เจ็ดรอองค์ก็แบ่งเป็นกลุ่มละหนึ่งร้อยองค์เทวดาตนแรกได้กราบทูลว่าเพราะความจรรีและเพราะความประมาทอย่างนี้บุคคลจึงให้ทานไม่ได้บุคคลผู้หวังบุญรู้แจ้งอยู่พึงให้ทาน เทวดาตนที่สองได้กล่าวถูดว่าคนสนีย์กลัวภัยใดย่อมให้ทานไม่ได้ภายนั้นนั่นแหละย่อมมีแก่คนสนีย์ผู้ไม่ให้ทานคนสนีย์ย่อมกลัวความหิวและความกระหายใดความหิวและความกระหายนั้นย่อมถูกต้องคนสนียนั้นนั่นแหละ ผู้เป็นผานท the ั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเะนั้นบุคคลควรกาจัดความสนีอันเป็นสนิมในใจให้ทันเถึดประบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าก็ประเด็นเหล่านี้จะเห็นว่าเทวดาเข้าใจเรื่องเหล่านี้ลึกซึ้ง และเข้าใจว่าการให้ทานนั้นเป็นเหตุให้คนมีฐานะมา่งครั่งร่ำรวยไม่อยากจนไม่ขัดสนอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในจุลกามาวิพังกมวิพังกสูสรดคือหลายชุดนะฮะเฉพาะในกรณีนี้ก็คือการที่คนบางพวกเกิดมาแล้วเกิดมาในสกุลที่บ้างคั่งร่ำรวยเพราะผลของการให้ทานมาดีแล้ว และในขณะเดียวกันก็ยังแสดงไว้ในที่อื่นคือแยกเหตุกับผลที่แตกต่างกันให้เห็นว่าการให้ข้าวน้ําเป็นการให้กําลังการให้เสื้อผ้าเป็นการให้ผิวพรรณการให้ยานพาชนะเป็นการให้ความสุขการให้ประชีพเป็นการให้ปัญญา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลทั้งหลายจะดีหรือชั่วก็ตามล้วนแล้วเกิดขึ้นมาจากเหตุทั้งนั้นแต่ในที่นี้ท่านเน้นเหตุคือทานโดยบอกว่าคนที่กลัวว่าตัวเองจะเกิดความหิวความกระหายนั่นแหละแล้วไม่ยอมให้ทาน ในชาติต่อไปแม้จะเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมีความหิวกระหายคือกินอาหารไม่อิ่มท้องหรือไม่เคยอิ่มท้องอย่างยกตัวอย่างอานันรเศษฐีที่ในชีวิตของท่านไม่เคยให้ทานแล้วก็ตายไปเกิดในสกุลจันทาน ขอถือไปสนที่ในคันของแม่เนี่ยแม่ขอทานไม่ได้เลยแล้วก็หมายความว่ากลุ่มขอทานกลุ่มนั้นแหละเกิดขาดแคลนอย่างแรงขอทานก็ไม่ได้ในสุดก็ลองแบ่งแยกดูเพราะเขาถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้แสดงว่ามีคนกาลกิ น, นีปนอยู่ แล้วในสุดก็แยกกลุ่มออกไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่าก็มาตกที่แม่ของเด็กคือตกในหญิงจันทานมีขันในสุดหญิงจันทานคนนี้ก็ถูกขับออกไปจากหมู่ทำมาอยู่ด้วยความยากลาบากมากเพราะว่าได้อาหารไม่อิ่มท้องแล้วตัวเองก็มีท้องอยู่ด้วย พอคลอดลูกออกมาเนี่ยปรากฏว่าวันใดที่เอาลูกไปด้วยเนี่ยจะขอทานไม่ได้แต่วันใดที่ไม่เอาลูกไปด้วยก็จะขอทานได้เลยแกแยกได้ชัดเจนเลยทีนี้ว่าตัวเหตุจริงๆนั้นเกิดขึ้นมาจากลูกมันเป็นอภิโมขลิศเวรูปร่างหน้าตาท่านก็บอกว่าหน้าเกลียดอัตถกถาใช้คำว่าเหมือนกับปีศาสคุกฝุ่น ในการต่อมาเมื่อเด็กโตขึ้นเนี่ยแม่ก็เอากระลาใส่มือให้บอกว่าตั้งแต่เจ้ามาเกิดในแม่ลําบากด้วยเกินไม่เคยกินข้าวอิ่มท้องแม่จะทนเลี้ยงดูเจ้าไม่ไหวหรอกเพราะงั้นก็ขอไปไปหากินเองปรากฏว่าเด็กก็ได้อาหารด้วยความยากลําบากคือไม่เคยอิ่ม จนในที่สุดก็พลัดหลงเข้าไปในบ้านเดิมของตัวเองแล้วก็แปลกที่ทเธอระลึกชาติได้แต่ว่าคนข่าถาดบริวารของตนในชาติก่อนนั่นแหละก็ได้ขับไล่ทุกตีจับไปโยนข้างนอกผู้เจ้าก็เสด็จไปโปรดแล้วก็บอกท่านเศรษฐีที่เป็นลูกชายบอกว่า แต่เด็กคนเนี้คือลูกคือพ่อของเธอมาเกิดเป็นเด็กจันทานเพระผลของความเจนีแล้วพระเจ้า ก, ก็ทรงบันดาลโดยพุทธานุภาพให้เด็กเนี่ยไปชี้ขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ในสมัยเป็นเศรษฐีพอชี้ถูกเศรษฐีก็เชื่อ แล้ในการต่อมาก็ไม่ได้ปฏิบัติตัวตามบิดาคือได้ให้ทานได้รักษาศีลแล้วก็กลายเป็นคนเคร่งศีลเคร่งธรรมไปคือคนสนีในะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยหรือถ้าไม่ตกนรกก็เกิดเป็นเปรตที่มีความหิวโหยอยู่ตลอดเวลาที่มีการพูดว่า อีปากทะลุเข็มกินยังไงก็ไม่อิ่มและท่านก็บอกในประโยชน์ต่อไปว่าต่ความเดือดร้อนเหล่านี้มันจะมีอยู่ทั้งในโลกนี้และก็ในโลกต่อๆไปก็ท่านก็เลยสรุปเป็นทํานองเชิญชวนชักชวนบอกเพราะฉะนั้นบุคคลทั้งหลายควรกําจัดความสนีอันเป็นสนิมในใจ ให้ทานเธอเพราะความจะหนีเนะี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งเราจะหนีเพราะโกรธนะคือเราไม่ชอบคนนั้นนะเราไม่ให้แต่บางครั้งก็จะหนีเพราะโลภคือหวงคือยึดติดในสิ่งเหล่านั้นไม่ยอมให้บางครั้งบางคราวก็มันเป็นเรื่องเหลือเฟือ หมายความว่าที่จริงแล้วเนี่ยตัวเองอยู่ในวิสัยที่จะให้ได้เพราะตัวเองก็เหลือกินเหลือใช้แต่เพราะไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นผลซึ่งจะเกิดขึ้นจากการให้ทานเลยก็ไม่ยอมให้คือยังมองภาพสังคมเรา เวลามีสาธารณภัยต่างๆคนที่ไปมีส่วนแบ่งเบาความเรือร้อนเนี่ยมันจะมีอยู่ไปมากแต่บางครั้งเราก็ไม่เคยเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือภัยหนาวไม่เข้าใจว่าทำไมต้องแจกผ้าห่มทุกปี เพราะพระหมดำปกติมันหมได้หลายปีแต่ทำไมท่านเหล่านั้นจึงถึงใช้พระหมขาดเร็วเหลือเกินอันนี้ก็นึกไม่ออกจริงๆก็คือไม่เข้าใจเพราะเคยไปพักที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดเลยปรากฏพอเปิดเข้าไปในห้องเนี่ยมีผ้าหมเยอะมากๆถามว่าเก็บไปทำอะไรเยอะ แกบอกก็มีคนมาบริจาคแล้วเคยไปแจกเองนะฮะที่ต่างจังหวัดเราก็จะมองที่เด็กกับคนแก่ก่อนปรากฏว่ามียายแก่คนหนึ่งเนี่ยเฉพาะผ้าข่มเนี่ยแกจะรับแจกอยู่แล้วสามสิบแปดพื้นแกก็ยังมารับอีก อันนี้คือคือกลายเป็นปัญหาไปคือหมายความว่าเราลดความโลภของเราไปเพิ่มความโลภไปแก่คนอื่นซึ่งในแง่ของการทำบุญเนี่ยมันก็ไม่เสียหายใดหรอกแต่ในแง่ของการของสังคมเนี่ยคือคนเหล่านั้นจะงอมืองอเท้าไม่ช่วยเหลือตัวเอง แล้วก็ทำตัวให้เป็นภาระแก่สังคมช่วนอาตตปีซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องสนุกนักเหมือนกันแต่ว่าประเด็นที่เรามองในประเด็นของการให้ทาน ด, ด, าาด้วยจิตคิดอนุเคราะห์ก็ตามด้วยจะิญสงเคราะห์ก็ตามหรือด้วยการบูชาความดีก็ตามก็โดยคาดหวังนะ อย่างยกตัวอย่างเช่นเราบริจาคถวายพระที่เรามั่นใจว่าท่านจะไม่เก็บสะสมไว้เป็นของส่วนตัวหรอกบางก็ช่วยกระจายพระก็เป็นทางผ่านไปมีคนเคยเออตั้งข้อสังเกตเป็นนักบัญชี แกพูดแบบนักบัญชีอะนะฮะแกพูดว่าเงินวัดก็เหมือนกับเงินพระไม่ใช่เงินวัดก็เหมือนกับเงินวัดเงินพระก็เหมือนเงินวัดบอกพูดอย่างนั้นมาก็ไม่ถูกคือถ้ามีสถานะเป็นเงินวัดแล้วพระจะจ่ายอะไรไม่ได้เลยเาการที่เขาถวายพระเป็นการส่วนตัวนั้นเพื่อสนับสนุนในการ กรองชีวิตท่านแล้วในการกระทําธุระหน้าที่ของท่านพอเงินวัดเป็นเงินติดคุกนะฮะคือหมายความมันจะต้องจ่ายตรงไปทรงมาตามวงงานเนื้องานแท้ๆต้องเป็นของวัดแลหละจนเราไปช่วยเหลือใครเนี่ยช่วยเหลือไม่ได้ช่วยน้ําท่วมก็ไม่ได้ช่วยไฟไหม้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็ไม่ได้เลย วันคนบางคนที่เขารู้เรื่องเนี่ยแล้วเขาบ้่นใจในครูบาอาจารย์เขาเ้าจึงถวายให้เป็นการส่วนตัวแล้วเพื่อกระชับกำชับนะบงเล็บวงเล็บไปด้วยกลัวเราจะเอาไปให้คนอื่นถึงเมื่อก็เป็นการช่วยกันกระจายแล้วก็สนับสนุนในการทำงาน อย่างรายการเนี่ยพลเอกเสรีท่านได้ ย, ยินมาพูดที่ไหนก็ไม่รู้เข้าใจคงออกวิทยุอะ่ะ <c oughs> ก็บอกว่าอันที่จริงมันก็มีปัญญาอยู่ที่จะทำงานด้านนี้แต่ว่าเราก็ไม่มีค้าเช่าสถานีกาก็มานิมนต์ประโยคที่ยึดยันเนี่ยท่านบอกว่ า, าท่านมีปัญญา <c oughs> ผมไม่ซับ ผมสนับสนุนแต่ก่อนที่จึงมากวันกว่านี้นะพอเดี๋ยมาเกิดไม่สบายตอนนั้นเสียงมันหายไปเลยเลยก็ต้องลดลงไปแต่ถ้าให้อัตามาใจเองเนี่คงจะจบก็ะทำไม่ได้โปรคฟังพระอื่น ท่านออกอากาศเราก็อนุโมทนากับท่านถ้าหากว่าไม่ได้ไรอะไรมากเกินไปอะแต่ถ้าได้ไรมากจนเกินงานไปซึ่งถ้าชาวบ้านสตาล์มันก็ไม่แปลกส่วนใหญ่มันก็มีมีงานที่จะต้องจัดจะต้องทําเยอะนะฮะถ้าหากว่ามีเงินเนี่ยเพราะว่าสังคมเรามันมีความบกพร่องอยู่มากแต่คนที่ยินดีในทานนั้นจะมีน้อย คนที่ยินดีก็ยินดีจริงๆเหมือนกันคนที่สนีก็สนีจริงๆเหมือนกันเพราะเรณีเพราะประมาทเทวดาตนแรกบอกเทวดาตนนี้ก็บอกว่าก็ให้บุคคลเนี่ยพยายามขาจัดมูลชินคือความเสนีตรงนี้ท่นานใช้คําว่าสนิมนะฮะคือเราะเรียกอะไรก็ได้กิเลสเนี่ยคือเรียกมันมันถ้าพูดถึงเหล็กมันก็คือสนิม ถ้าพูดถึงบ้านเรือนมันก็คือบนทินคือฝุ่นคือละอองคือทุลีถ้าพูดถึงพื้นที่ก็โคลนตมหรือสิ่งโสกปลกอะไรก็ตามคือคือพวกนี้มันเป็นภาพคือต้องการสื่อสารให้เห็นว่ามันมีลักษณะอย่างนั้นคือแปดเปื่อนไม่พร้อมที่จะนั่งเพราะว่าฝุ่นมันเยอะไม่พร้อมที่จะใช้งานเพราะสนิมมันเยอะ ก็แล้วแต่จะเอาอะไรมาเป็นอุปมาในทีน่นี้ท่านอุปมาเป็นสนิมจะหมายความว่าสนิมที่เกิดแตะเหล็ก็ทําให้ตะเหล็กนั้นน่ะมันใช้งานไม่ได้ท่านก็บอกว่าเพราะบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าไอ้นี้ท่านยืนยันประสบการณ์นะฮะเป็นประสบการณ์ของท่าน แต่ที่ท่านยืนยันเนี่ยที่จริงมันเป็นการสมาทานสีเพียงแต่อย่างที่บอกนะว่าเทวดานั้นรึกชาติได้เพลานพอมองย้อนหลังมันก็เห็น ท, ทนัน้ทงพาเนนทั้งศีอะไรต่างๆคือหมายความมาเชื่อมโยงตัวเหตุที่ให้เกิดบนสวรรค์ของตัวเองนี่ได้ว่าเหตุจริงๆมาจากอะไรเพร า, านวันก่อนที่พูดเรื่องสัตว์บรุษ ก็พูดประรบถึงอาจารย์ตัวเองที่เป็นสัตบุรุษแล้วก็ช่วยให้ศีลแก่พ้กตัวก็ทำให้ได้สมาทานศีลก็กเกิดในสวรรค์แต่ในขณะเดียวกันเมื่อตัวเองระลึกชาติได้ก็เห็นว่าไม่ใช่ผลของศีลอย่างเดียวแต่ว่าผลของทานก็นำไปสู่สุคติได้ แล้วเวลาพระเจ้าทรงแสดงอานอิศสงของทานในรองสุดท้ายกับข้อสุดท้ายเนี่ยคือคือคือถ้าเต็มที่เนี่ยครับเต็มที่มีหก็มีมีห้าก็มีหนึ่งผู้ให้ทานจะเป็นที่รักของคนเป็นนันมากสองเจติคุณดีงามของบุคคลผู้ให้ทานย่อมคุ้งกระจรกระจายไปสามสัตว์บุรุษเมื่อจะคบผาเมื่อจะสงเคราะห์ เมื่อจะแสดงธรรมก็ยอมขบผาสงเคราะห์แก่บุคคลที่ให้ทานผู้ให้ทานเมื่อเข้าไปในสมาคมใดจงอาจกระหานไม่คั้นค้ามขำเกรงในสมาคมนั้นแล้วข้อสุดท้ายก็ะรองข้อสุดท้ายเนี่ยบอกว่าจะไม่ตรงตายคือจะมีสติตายตตายไปแล้วก็จะบงังเกิดในสุคติเพราะงั้น พระพุทธเจ้านั้นทรงรู้ด้วยพยายานด้วยแล้วก็ทรงเห็นด้วยที่ประจักษ์สุขด้วยเทวดานั้นเป็นประสบการณ์ตรงคือท่านพบเห็นเห็นด้วยตัวงท่านเองว่าเทวดาทั้งหลายเนี่ยซึ่งถ้าเราดูในวิมานวัตถุในวิมานวัตถุจะพูดถึงกุศลที่เป็นเหตุให้บังเกิดในสวรรค์ที่จริงมันเป็นวิถีชีวิตไปได้ ก็แสดงว่าคนก็สามารถสร้างเหตุเพื่อบังเกิดในสวรรค์ได้โดยการให้ทานโดยการรักษาศีลด้วยความซื่อสัตย์กันโดยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบระวังสามีพัญญาหรือสามีพัญญาให้ความเคารพแก่พ่อผัวแม่ผัวหรอือพ่อพัญญาแม่พัญญาอะไรต่ญญางเนี่ยคือคือเป็นทางแห่งสวรรค์ทั้งนั้ น, น, นเพราะอะไรเพราะแต่ละข้อเนี่ยมันทําหน้าที่ขจัดกิเลส คนที่ดูแลบุปการีนี่กิเลสมันหายไปเยอะนะฮะโดยเว่าโลภะก็สงบสมัะพ่อแม่ราคะก็สงบสมัะพ่อแม่โทสะก็สงบสมะพ่อแม่โมหะก็สงบสมัะพ่อแม่มแมมมแมริษยาก็สงบนะการเบียดเบียนก็สงบมันก็สงบไปเยอะกิเลสมันก็เป็นบุญอยู่โดยโกฎของมันแล้วก็ไม่ใช่เรื่องทานอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องดูอย่างเดียว เพราะที่ท่านบอกกตัญญูกะตะเวทีเนี่ยมันเป็นปัญญานะฮะกตัญญูกะตะเวทีมันเป็นปัญญามันทําหน้าที่ก็จัดโมหะเพราะงั้นกับใครก็ตามที่เราสํานึกกตัญญูกะตะเวทีนั้นโลภะของเราลดโทสะก็เราลดราคะก็เราลดเพราะโมหะมันลด แล้วถ้าสนึกกตัญญูกตเวทีสูงจะเสียสละแม้แต่ชีวิตของตัวเองเพื่อบุปการีของ ต, น, ตอนวันวิถีชีวิตเหล่านี้ที่จริงมันเป็นวิถีสังคมเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยเราพูดคนจ น, จ น, จ, นจนตกใจคือไปเอาเป็นกฎเป็นเกณฑ์อะไรมากไปที่จริงกระบวนการของธรรมะเนี่ย ว่าข้อสำคัญในมันมีจุดเริ่มต้นแล้วพอเริ่มต้นต่อไปมันก็เพิ่มขึ้นเองพอเราเห็นผลเราเหมือนกับชิมของอร่อยเนี่ยต่อไปเรากินเองฮะถ้าเราพอใจผลก็ธรรมะก็จะมีลักษณะอย่างนั้นมันจะเกิดอิทธิบาทเข้มข้นขึ้นไปทุกข้อฉันทาวิริยะจิตใจบังสามจะเข้มข้นขึ้นไปทุกข้อ ซึงควาหมายความพวกนี้เข้มข้นมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยอกุศลมันลดลงไปเท่านั้นเทวดารับประกันให้นะฮะซึ่งควาหมายความว่าก็ยุติด้วยเขาเรียกว่าวาทะของพระอาราหันต์ทั้งหลายเพราะาการปริเสธความมีอยู่ของชีวิตหลังตาย พรามมีอยู่ของนรกสวรรค์พรามมีอยู่ของภพชาติต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้ารับสั่งแสดงว่าเป็นวททัฏทีขัดแย้งต่อวาทะของประหารทั้งหลายก็เรียกว่าขับรถถังชนพระพุทธเจ้าก็นแล้วกันจะประสบบาปรกรรมเป็นนั้นมาก เป็นการกล่าวตูวรพุทธเจ้านะฮะคืออย่าลืมมาเรื่องทั้งหมด์เราไม่มียาเน่ยเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัตรเนี่ยย่องเชื่อตามพระพุทธเจ้าว่าแล้วกันจบไม่ต้องไปยุ่งมากเราสูญเสียเวลาในเรื่องเหล่านี้อยู่เยอะคือบางทีเนี่ยเรามีจดหมายบนกอดเนี่ยก็ได้จดหมายมาฉบับตั้งแต่อ่านยากมาก ก็ให้เด็กไปแกะแล้วก็พิมพ์ดีเอมาดูคือถ้าเรามองความรู้ความเข้าใจอะไรของนั่นเข้าชีนะฮะแต่ว่าท่านทำไมท่านจึงเดือดร้อนเพราะการกระทำของคนอื่นเพราะหลักการสาคัญของพระพุทธเจ้านี่งแสดงเอาไว้ว่าณปรีสังวิโลมานิณปรรสังอากตากะตัง อัตโนวะเอาไว้เคยยากตานิอักกตานิาานจัอย่าใส่ใจต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนอื่นหรือสิ่งที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของบุคคลอื่นแต่ว่าให้ใส่ใจสนใจใ น, ในสิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของตนเองเพราะสนใจแล้วมันแก้ไขได้ปรับปรุงได้พัฒนาได้เว้นได้ ประพฤติได้แต่ของก็ดื่นมันก็จบลงที่ไปด่าเด้วมนได้อะไรก็ขอโดยสารทำชั่วด้วยกันแล้วกันอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่แปลกวันก่อนได้ดูรายการรู้สึกว่าชื่อหลุมดำนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับพระปลอมบวชหีืพระบวชมาแล้วไม่เรียบร้อย เราก็เออว่าวิธีการเขาเนี่ยมันต่างจากวิธีการในถอดรหัสเพราะเป็นวิธีการที่สร้างสรรค์ต้องการย้ำเตือนให้สติแก่พุทธศาสนิกชนในการเลือกเฟ้นหลการให้ทานเนี่ยหลกักมันมีอยู่ว่าวิเจอ ย, ย, ยดาหนังสุกตปะปัสสัทถัง การใคร่ครวญซะก่อนแล้วจึงให้เนี่ยเป็นการกระทำที่พระสุคตเจ้าทรงสรรเสริญประทุกอย่างมันต้องใคร่ครวนอ่ะมันไม่ใช่ว่าเออใครที่ไหนไม่รู้คือบางครั้งนี่มันเห็นชัดเลยภาพที่เขาถ่ายเนี่ยเราก็ดูออกว่านี้คือพระบวชจริงอันนี้คือพระบวชมาไม่ถูกต้องปลอมบวชเอาแล้วก็ ไอ้พที่ปรอมบวชเนี่ยมันก็ดูง่ายแต่พระที่บวชมันถูกต้องที่จริงก็ดูออกเพียงแต่ว่าท่านอาจจะเขาท่านอาจจะลบไปอาจจะดื้อด้านหรือว่ามีภูมิหลังมีประวัติไม่ดีรุงเช้าขึ้นมาก็ออโทรเช็ค ก, กับพระวินยัยญาธิการ ก็สอบถามบางเรื่องที่เขาพอรู้ก็ปรากฏว่าบางองค์นี่บวชจริงนะฮะแต่ว่าเป็นอดีตนักโทษที่เขาลดโทษให้ในโอกาสพิเศษแล้วก็มาบวชเขาต้องการบวชชั่วคราวแต่ว่าแกไม่สึกอ่ะคือไม่สึกก็ไม่รู้จะไหวยังไงแต่นั้นพฤติกรรมของแกมันก็ พื้นฐานเขาไม่ค่อยดีนะฮะแต่ไม่ใช่ทุกคนหรอกคือพื้นฐานอย่างนี้มันก็มีส่วนน้อยเพราะเราก็มองเขาด้วยความกรุณาพอรุ่งเช้าขึ้นก็ไปเจอกับเจ้าคณะภาคในเขตนั่นเลยก็คุยกับเขาคือบอกว่ามันเป็นปัญหาคาแผ่นดินที่ยากต่อการแก้ไข เพาจริงๆมันมาจากปัญหาเศรษฐกิจกับปัญหาสังคมแล้วก็ปัญหาเรื่องการศึกษาเนี่เป็นต้นเหตุเมื่อรายการศึกษาหรือการศึกษาน้อยมันก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจต่อสังคมและเธอก็ดิ้นรนเพื่ออยู่รอดเธอก็ออกมาในทางที่ไม่ควรออกหรอก เพราะอะไรเพราะจริงๆถ้าเราลองสังเกตง่ายๆเนี่ยเราได้ข่าวว่าแทพผีซีดีเถื่อนเนี่ยคือถ้าคนคิดเป็นเนี่ยหมายความว่าในกรณีที่มีแทบผีซีดีเถื่อนแทบเรื่องนั้นซีดีเรื่องนั้นต้องเป็นที่ต้องการของตลาดต้องดีอะถ้าไม่งั้นเขาไม่ปลอมหรอกเป็นการที่คนมาปลอมอาศัยรูปแบบของพระ เป็นเครื่องมือในการหากินสแสดงถึงความดีของศาสนามันมีอะไรก็ตามที่ดีมากเนี่ยมันจะมีปลอมแทรกขึ้นพอคนจะมุ่งสแสวงหาประโยชน์ตรงนั้นแต่ถ้าเราคิดไม่เป็นเนี่ยเราก็หาโอกาสด่าพระเลยพระเดียวนี้เลยพระเดียวนี้เลยแล้วทั้งๆที่แกรู้ว่าคนปลอมบวดเนี่ยแกก็บอกกับพระเดียวนี้เลยนั่นคือ หาเรื่องหาเรื่องให้เกิดบาปแก่ตัวเองโดยไม่มีความจำเป็นอะไรเลยเป็นบาปนินดีหลีกไปเถอะอย่าไปยุ่งมันผลหลักพระมหารที่มีเบกขาเนี่ยเพราะอย่างนี้เองคือคนบางคนมันเป็นไปตามกรรมของมันก็ปลอเข้าไป ถ้าเขาทำดีเราก็ยึดถือเป็นตัวอย่างได้แต่เขาทำชั่วที่จริงเราก็ยึดถือเป็นตัวอย่างได้นะคือเราไม่ทำอย่างที่เขาทำเมื่อเราคนตกท่อเนี่ยเรามองเขาด้วยความสงสารแต่ในขณะเดียวกันเขาก็คือครูที่บอกเราว่าเวลาเดินเรามั่ระวังนะเดี๋ยวจะตกท่อ และโดยเฉพาะถ้าเราเดินไปท่อตรงนั้นเนี่ยเราจะระมัดระวังเห็นไหมที่จริงเราก็หาประโยชน์ได้หาประโยชน์ได้ทั้งการกระทำดีและการทำไม่ดีของบุคคลอื่นเทวดาตนที่สามได้กล่าวว่าชนทั้งหลายเหล่าใดเมื่อของมีน้อยก็แบ่งให้ เหมือนพวกเดินทางไกลก็แบ่งของให้แก่พวกที่เดินทางร่วมกันนี่คือประเด็นหนึ่งนะฮะคือบางครั้งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องร่บรวยเสมอไปเวลาขาดแคลนแ้วกันพี่ตอนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันภาพเราเนี่ชัดมากคือมาอยู่ต่างจังหวัดอยู่หกปีนะฮะก่อนจะเข้ามาอยู่ อรุงเทพเนี่ยบริันอาหารเนี่ยพระทั้งวัดเนี่ยฉันด้วยกันแล้วก็ดูแลกันใครขาดเหลือก็อะไรก็เจอจานกันสงเคราะห์กันดูแลกันเรามาอยู่ระดับหัวหน้าเราก็เดินดูแลพระเนรไปก่อนใครขาดแคลนตรงไหนเราก็ไปเสริมให้ซึ่งก็บางครั้งก็ บางคนต่างก็ไม่อิ่มหรอกแต่ว่าพ อ, อยังอัตภาพไปเป็นไปได้แต่ในกรณีตรงนั้นถ้าวา่าทุกคนต้องการให้ตัวเองอิ่มคนจะมีคนหิวเพราะว่าปริมาณจำนวนอาหารมีไม่มากพอเพราะ แ, แนวแนวนี้ที่จริงก็คือแนวอนุเคราะห์แนวที่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้เรามีน้อยเราก็ให้ตามน้อยมีมากก็ให้ไป ตามเหมาะสมซึ่งในแนวคุณทานก็อย่างที่เคยบอกว่าเราจะต้องมองที่ศรัทธากับทรัพย์หมายความาถ้าศรัทธามากทรัพย์น้อยก็ต้องให้ตามกับบางทรัพย์ถ้าศรัทธาน้อยทรัพย์มากก็ต้องให้ตามกับบงังศรัทธาแต่เสมอกันก็ไม่ว่าอะไรคือให้ตามอะไรก็ได้เพราะตัวบุญจริงๆก็คือ มีความสุขเป็นผลแต่เราให้ทานไปแล้วเราเดือดร้อนก็แสดงว่าการกระทานั้นไม่ใช่บุญคือไม่ได้บุญพระวุนิจะต้องมีความสุขแล้วก็ช่วงต่อไปท่านจะบอกว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อบุคคลทั้งหลายเราอื่นตายแล้วก็ชื่อว่ายอมไม่ตาย รมนี้เป็นของบัณฑิตแต่ปางก่อนหมายความว่าคนที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทในบุญญากริยาทั้งหลายเนี่ยคือบางครั้งรู้เจ้ารับสั่งสันส้นๆง่ายๆอปมาดังประสังสันติบุญญากริยาสุปันติตา บันทิตทั้งหลายย่อมไม่ประมาทในบุญญากริยาทั้งหลายมันอะไรก็ได้ที่ทำแล้วมันเกิดประโยชน์แก่ตนเองและเกิดประโยชน์แก่คนอื่นก็เป็นบุญแม้แต่ประโยชน์เกิดประโยชน์แก่เราคนเดียวก็เป็นบุญหรือเกิดประโยชน์แก่คนอื่นคนเดียวก็เป็นบุญเพราะบุญก็คือสิ่งที่เกื้อกูลโดยลักษณะเนี่ยก็คือเกื้อกูล โดยเหตุก็คือจำระลางโดยผลก็คือความสุขที่ผู้ให้ผู้ทำเนี่ยได้สัมผัสเมือนเมื่อเขาไม่ประมาทในขณะที่คนซึ่งประมาทได้ตายไปเนี่ยเพราะประมาทในบุญยริยาเขาก็แม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับตายแล้วนะตายแล้วก็ตายเลยเพราะว่า จะไม่มีการนำมายกย่องกล่าวขวันสรรเสริญจากบุคคลที่อยู่ในตอนหลังแต่ท่านได้ทำบุญเอาไว้เนี่ยเราจะเห็นว่าคนบุนคคลตายนานแล้วแต่คุณความดีของท่านยังเป็นตราประดับแผ่นดินระดับโลกอยู่คือในกรณีนี้มาเองอย่างรู้สึกชื่นชมพวกคิตนะ โลกรังเนี่ยราเหนว่าองค์กรการกุศลใหญ่ๆ ใ, ใ, ในโลกเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากวกคคลศา ส, สนาพุทธเรามันก็มีแต่ว่ายังไม่ใหญ่เรายังไม่มีองค์กรใหญ่ๆที่ถือว่าอยู่ในระดับโลกเนี่ยก็ยังนึกว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะทำนะไต้หวันเนี่ยน่าจะทำ แต่ว่าไทยเราเนี่ยมันเอกภาพไม่ค่อยมีอย่านึกว่าถ้าเราร่วมมือกันสร้างขึ้นเป็นกองทุนหรือว่าเป็นมูลนิธิขนาดใหญ่ในนามประเทศไทยแล้วก็ความชื่อเหลือกันคนเล็กนน้อยแต่ว่าคนคนมากอะ่ะมันก็กลายเป็นของใหญ่ของมากมันก็สามารถทำประโยชน์ระดับโลกได้ เวลานี้ก็เห็นมีมูนิธิที่เกี่ยวกับสถาบันประมากษัตร์อยู่หลายมูนิชินะมูนิชิอนนานันมูนิชิอะไรต่างๆเนี่ยหลายมูนิชิที่สามารถให้รางวัลแก่คนคนต่างชาติได้ด้วยในส่วนใหญ่ก็จะหนักไปในทางวงการวิทยาศาสตร์วงการแพทย์แล้วก็หลายๆด้าน คือยังนึกยังนึกว่าเราเน้นที่ฐานเยอะแต่ก็จริงเนี่ยเอกภาพที่เราจะทำร่วมกันเนี่ยมันไม่เกิดแล้วก็มองในรายละเอียดที่จริงก็เกิดยากเหมือนกันเพราะว่าอะไรก็ตามถ้ามีกรรมการมากแล้วยุ่งมากคือทำอะไรไม่ได้ผลนุทธานี่ทำอะไรไม่ได้ อย่างอาตมามีกองทุนใจรัตนนพภาพเราตั้งวัตถุประสงค์กว้างไว้เพื่อการศึากษาการเผยแพร่และพิทักษ์ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแต่ว่าต้นทุนไม่มากเพราะงั้นปริมาณงานเราก็หนักอยู่ในการให้ทุนเด็กให้ทุนพระอะไรเล็กๆน้อยๆท่าทีเราทำได้พิมพ์หนังสือเผยแพร่อะไรเนี่ย แต่ที่ไม่ยอมตั้งเป็นมูนิธิเพราะว่าเบื่อกรรมการครับพเรามีกรรมการมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนี่ยอึดอัดมากเลยทำงานยากมากเราก็ทำงานในนามศูนย์ส่งเสริมพรอทำงานในมูนิธินี่จะทำยาก น, นี่ก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งนะฮะที่ที่เราไม่สามารถจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่นี่ชอบพูดแต่ว่าไม่เสียสละถ้าคนเสียสละเขาก็ไม่ค่อยพูดเลยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเทวดาได้กล่าวประโยคต่อไปว่าชนทั้งหลายเหล่านั้น เมื่อบุคคลทั้งหลายเราอื่นตายแล้วก็ชื่อว่าย่อมไม่ตายทรรมนี้เป็นของบัณฑิตแต่ปางก่อนเขาเรียกว่าส น, นันตนธรรมนะฮะเราเห็นว่าอย่างพระพินสนดรในโบราณนินนกายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นั่นก็ให้ทานในลักษณะเฉพาะคือไม่ได้ตั้งเป็นกองทุนอะไรมันเป็นราชสมบัติ คือวันก่อนได้ยินเขามีการพูดว่ารัฐธรรมนูญที่จะออกมาเนี่ยคือไม่ต้องการในนักธุรกิจมาเล่นการเมืองเอมก็แปลกดีคือมากก็มองไปอย่างเนี่ยนะคือถ้าเรามองที่จั ก, กรวัิิวัฒน์เนี่ยนะจั ก, กรวัฎีวัฒน์เนี่ยเราเห็นว่าสิบสองรายการเนี่ยแจกทท้งนั้นเด๋อ ซึ่งก็ต้องใช้ทรัพย์จำนวนมหาศาลแสดงว่าสถาบันประมากศาัตร์สมัยโบราณเนี่ยต้องเป็นที่รวบรวมเงินจำนวนมหาศาลอยู่ถ้าไม่งั้นทำงานนี้ไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าหากว่านักธุรกิจคนนั้นมันเกิดเป็นเศรษฐีใจบุญขึ้นมาแล้วก็ถือว่าเรื่องตัวเองก็พอแล้วก็จะมา ทำงานทางการเมืองเพื่อเสียสละเพื่อชาติบันมือในส่วนหนึ่งก็จะจ่ายทุนของเขาได้พระงบวานแผดดินที่จริงทำงานยากนะมันพอๆกับเงินวัดนั่นแหละทำงานยากแล้วเ็าก็มีปัญหาเรื่องงบประมาณนี่ตลอดแต่ที่จริงมันมันขัดแย้งกับหลักประชาธิปไตยอะไรต่างๆเยอะ ข้อต่อไปเขาบอกว่าชนพวกหนึ่งเมื่อของมีน้อยก็แบ่งให้ชนพวกหนึ่งมีของมากก็ไม่ให้ทักษินาที่ให้แต่ของน้อยนับเสมอด้วยพันเพราะอะไรอ่ะเพราะอย่าลืมว่าการที่ตัวเองมีของน้อยแล้วขจัดมนทินคือความสน่ออกไปได้ขจัดโทสะออกไปได้ขจัดโลภะออกไปได้ยังจุเลกสะดก ก็ให้พระห่มผืนเดียวหรือสุมโมนมาลาการเนี่ยก็บูชาพระพุทธเจ้าโดยพวงมัลิท่า น, นั้นเองหรือว่าท่านบุณนะบุณนธ า, าตุไอตัวเองก็ถวายม้จำราขวัญแก่สาราิบุตรแล้วก็ปัญญาก็อาหารที่เสียมมาจะให้ตัวรับประทานเนี่ยเอาไปถวายสาราิบุตร นคนที่ประสบผลของทานมหัศจรรย์นเนี่ยก็ของน้อยแล้วก็ให้ได้อย่างผู้หญิงกนหนึ่งแกก็ตัดผมของแกนะฮะขายร้านตลาดแล้วมารู้สึกจะปรุงอาหารหรือว่าซื้อผ้าเนี่ยลืมๆไปแล้วเอามาถวายพระมากัจจยนะ มันก็ดูแล้วว่าของน้อยแต่ว่าสละได้ในขณะที่เรื่องอนันตเศรษฐีที่เล่าเนี่ยของมากแต่สละห้าไม่ได้ตอนอยู่ในโลกมนุษย์มันก็ขับแคบแต่พอตายไปก็อย่างที่เล่าห้ฟังเพราะฉะนันเขาเรียกสหัสสถาน หมายความว่ามันเหมือนกับให้เป็นพันเท่าของของวัตถุที่ตัวให้การนับก็นับที่ตัวเจตนานะฮะที่มันสงบจากมัจฉริยะจากความสนิ่จากโลภะจากโทสะแล้วก็สงบจากโมหะก็จิตมีคุณภาพก็มีความผ่องใสเทพราตนต่อไปได้กล่าวว่า ทานพวกผานเมื่อให้ให้ได้ยากกุศลธรรมพวกผานเมื่อทํทาก็ทําได้ยากพวกอาศัตบุรุษย่อมไม่ทําตามทำของสัตบุรุษอันพวกอาศัตบุรุษดําเนินตามได้แสนยากเพราะฉะนั้น การไปจากโลกนี้ของสัตว์บุรุษและของพวกอสัตว์บุรุษจึงต่างกันพวกสัตว์บุรุษย่อมไปสู่นรกพวกสัตว์บุรุษย่อมเป็นผู้ดำเนินไปสู่สวรรค์อันนี้คือท่านยกตัวคนจากพฤติกรรมของมนุษย์ขึ้นมาก็าหมายความคนในโลกก็มีสอพวกเรียกาพานกับัณดิตหรือว่าเรียกสัต์บรุษก็สัตว์บรุต มันก็ตรงกันหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าความดีคนดีทําได้ง่ายแต่คนชั่วทําได้ยากความชั่วคนชั่วทําได้ง่ายแต่คนดีทําได้ยากหรือที่ทรงแสดงว่าธรรมและอธรรมให้ผลไม่เสมอกันธรรมย่อบนําไปสู่สุกติธรรมย่อบนําไปสู่ทุกติ หมายความรรมาธทำหรืออารรมอยู่ที่ใครก็ตามคนนั้นก็กลายเป็นพานเป็นบัณฑิตเพราะมีธรรมหรืออาธรรมแล้วเขาก็เป็นอสัตว์บุรุษเป็นสัตว์บุรุษเพราะอธรรมหรือธรรมที่เขามีเห็นไห ม, ไหมวิธีเสนอคือคือที่พระเจ้าทรงแสดงนะแสดงตัวธรรมะแต่ว่าที่เทวดากล่าวเนี่ยกล่าวถึงตัวคนที่ มีกุศลหรืออกุศลเป็นทางดําเนินชีวิตซึ่งโดยเนื้อหาสาระแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันคื อ, อยันที่บอกไวนะ้เนี่ยว่าการสอนธรรมนั้นก็อาจจะสอนให้รู้พูดให้รู้หรือว่าทําตัวอย่างให้ดูรัวครองชีวิตให้เขาเห็นหรือว่า สะท้อนคุณธรรมเป็นความส ง, งบเย็นอยู่ข้างในและเขาสัมผัสสวาสัมผัสได้เมื่อเข้าใกล้แล้วรู้สึกว่าเป็นสุขชายาคนก็จะเกิดฉันทะอุตสาหาที่จะประพฤติปฏิบัติดดรเราลองสังเกตว่าสังคมเราชื่นชมกับพระบรมราช ว, วาัตชื่นชมกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าชุกหัวชื่นชมกับพระบรมราช ว, วาัต แต่ก็ไม่ได้เดินโดยเสด็จย่อยรอยคนบาทซึ่งที่ทรงทำให้ดูและในขณะเดียวกัก็ไม่ได้ปฏิบัติตามพระโอวาทที่ทรงสอนให้รู้เพราะงั้นอผลที่เราต้องการเนี่ยมันถึงเกิดยากแสดงความจงรักภักดีเพียงเพราะสวมเสื้อเหลืองเนี่ยมันมันไม่ใยญ่เกินกาหนดอะไร เพียงแต่ว่ามันเป็นสั ญ, ญลักษณ์เท่านั้นเองการยุทรักพักดีจริงๆเนี่ยต้องปฏิบัติตามพระโรมราชวาฒยกตัวอย่างเช่นรู้รักษามากกังคีนีพูดกันหลายปีแล้วนะแต่ก็ยังทะเลาะ ก, กันได้ทุกวันเนี่ยเอาหนังสือพิมพ์อะไรมาอ่านก็ได้จะมีการทะเลาะ ก, กันทุกวันแล้วคนใหญ่คนโตทั้งนั้นน่ที่ทะเลาะ ก, กันเนี่ย แต่ว่าใครพูดกล่าวว่ากล่าวตักเตือนอะไรไม่ได้พอเด็กทะเลาะคับเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาทีเดียวนี่ก็เป็นเรื่องแปลกแต่ก็จริงมันก็ยืนยันนะฮะว่าสัตว์บุรุษกาบสัตว์บุรุษเนี่ยมันมันมันยากง่ายปัญหาว่าสิ่งทั้งหลายความดีความชั่วเนี่ยกันละความชั่วกันทําความดีเนี่ยอยู่ที่ใครใครใครละต้องฟังทั้งหลาย